วันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้เข้ามาฟาังเทศฟังธรรมกันฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเจริญถ้าไม่มีธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าเราก็จะตกอยู่การครอบงำของความหลงความไม่รู้ความจริง ความรู้ที่เรารู้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นความจริงเป็นความรู้ปลอมความรู้ที่หลอกให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการกันคือสร้างความทุกข์กันความรู้ที่เรารู้กันนี้ เป็นความรู้หลอกหลอกให้เราไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายต่างๆความทุกข์ที่พวกเรามีกันทุกวันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความหลงเกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็น กับตาลปัดไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขแทนที่จะเดินหนีจากทุกข์เรากำเดินเข้าหาทุกข์กันพอไปคิดว่าเป็นสุขกันอะไรคือความทุกข์ที่พวกเราเห็นว่าเป็นความสุขกันก็คือรากยศสารเสริญ ความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์กันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนทุกข์เพราะว่ามันเสื่อมได้หมดได้มีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเจริญราด ก็มีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อยศไปเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นธรรมดามีสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีทุกข์ที่ได้จากเสียงรูปเสียงกลิ่นรสได้เช่นเดียวกันเพราะมันเปลี่ยนไปมันหมดไป เช่นเรามีความสุขกับดูรูปพอรูปที่เรามีความสุขด้วยหมดไปเช่นรูปของคนที่เรารักรูปของพ่อรูปของแม่รูปของสามีภรรยารูปของลูกของบุตรของทิดาของญาติสนิทมิตรสหายพอรูปของเขาจากไป ไม่สามารถเห็นรูปเขาได้อีกแล้วเก็เห็นทุกวันกันทุกวันอยู่ดีๆก็ไม่ให้เห็นอีกแล้วมันไม่แน่นอนเจาเรียกว่าไม่แน่นอนมันอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เทีย่ยวไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเศษกันที่เรามีความสุขกันเสียงของ เสียงคนที่เรารักเนี่ยพอได้ยินเสียงของคนที่เรารักเราก็เกิดความสุขกันพอเราไม่สามารถได้ยินเสียงของคนที่เรารักแล้วเราก็เกิดความทุกข์กันเนี่ยแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมาสอนพวกเรามาบอกพวกเราว่า <c oughs> มันเป็นทุกข์ยสัพเพสังขารานิจาระสังขาร เครื่องปรุงแต่งทั้งปวงนี้เป็นทุกเครื่องปรุงแต่งก็คือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟของทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตามันเป็นการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้านี้ก็เป็นการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟ การผรสมผสานของดินน้ำลมไฟต้นไม้นี่มีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟถึงจะกำลังเติบโตเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเป็นใบไม้ร่างกายของมนุษย์ของสัตว์โดยหลัานก็เหมือนกันเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ เวลาที่เราหายใจเข้าไปนี้เราก็เอาธาตุลมเข้าไปเวลาที่เราดื่มน้ำํำดื่มของเหลวเราก็เอาธาตุน้ําเข้าไปเวลาที่เรารับประทานอาหารเราก็มีเอาธาตุดินเข้าไปข้าวนี้ก็มาจากธาตุดินผักก็มาจากธาตุดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อเข้าไปในร่างกายก็เกิดการผสมปูงแต่งกัน ก็ทําให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาธาตทาต่านถ้าดินธาตุน้ํำธาตุดมพอมาผสมกันก็ทําให้เกิดธาตุไฟเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายของเราทั้งร่างนี่เป็นการประสมประสานของธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟพระเจ้าจึงบอกว่าสัพเพสังฆาราอนิจจา สิตงต่างๆทัง้ ง, ง, งหลายที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่นี้เป็นอนิจจะเงินทองนี่ก็เป็นธาตุเงินทองนี่มีไว้ทำอะไรก็มีไว้ซื้อธาตุสีซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคของที่เราซื้อได้เงินทองนี่ก็เป็นธาตุสีทั้งนั้น ทำมาจากธาตุสี่นั่นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ใช่มาจากธาตุสี่ท่านถึงเรียกโลกนี้ว่าโลกกระทาโลกกาตทาโลกกระทามีธาตุทั้งสี่เป็นตัวผสมประสานกันขึ้นมาให้เป็นอะไรต่างๆขึ้นมาครับเวลาเราผลิตอะไรสินค้าอะไร น, นี้เราก็เอาธาตุมามาผสมกันมาทําให้เป็นสินค้าต่างๆ โทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่นี้ก็เป็นการผสมของธาตุต่างๆธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ของที่เป็นของแข็งเราก็เรียกว่าธาตุดินแต่ก่อนจะมาเป็นธาตุดินได้ก็ต้องมีธาตุไฟมาทำมาล้อมโลหะมาล้อมอะไรต่างๆมีธาตุน้ำมารวมด้วย เราจึงมีสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนมาจากธาตุทั้งสี่แล้วเมื่อมันมารวมตัวแล้วมันก็จะแยกตัวออกจากกันมันจะไม่รวมอยู่ร่วมกันไปตลอดร่างกายของเรานี่ตอนนี้เราเอาธาตุสี่มารวมกันเดี๋ยวพอเราไม่สามารถเอาธาตุสี่เข้ามารวมกันได้ ธาสี่มันก็จะแยกออกจากกันพอเราไม่สามารถหายใจได้ไม่สามารถอาลมเข้าได้ลมก็จะมีแต่ออกน้ำก็จะออกจากร่างกายไฟก็จะออกจากร่างกายถ้าทิ้งไว้นา น, านๆเข้าก็จะเหลือแต่ธาตุดิ้มหรือส่วนที่แข็งกระดูกเนื้อหนังก็จะแห้งกรอบ อวัยวางต่างๆก็จะแห้งกรอบเปื่อยผุพังไปกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินไปนี่คือสังขารสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่เรียกว่าสังขารสับเปสังขารอันนี้จะ ราบยศก็เหมือนกันยศก็เป็นเรื่องของธาตการที่เรามาสมมุติกันว่าธานอันนี้สูงทานอันนี้ต่ำร่างกายคนนี้สูงร่างกายคนนี้ต่ะร่างกายคนนี้มีอํานาจสั่งการให้ร่างกายอันนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้คนที่เป็นผู้จัดการในบริษัทเนี่ยก็สั่งการให้พนักงาน ในบริษัททานู่นทานี่ได้นี่เรียกว่ายศตําแหน่งต่างๆสรรเสริญ mm hmm. ก็เป็นคำพูดจะออกจากปากนั่นเองเป็นเสียงลง mm hmm. เสียงลงก็พูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ mm hmm. เราก็ไปสั่ง ให้เขาพูดดีเดียวไม่ได้เดียวบางทีวันนี้เขาพูดดีพรุ่งนี้เขาอาจจะพูดไม่ดีก็ได้พอารมณ์อันไหนอารมณ์ดีก็พูดดีหวานจ้อยอันไหนอารมณ์ไม่ดีก็เปรี้ยวขมปิีขึ้นมานี่ยคือเสียง เ, ยส เ, สเสียงสรรเสริญเสียงคลหาฮนินทามันเป็นปกติของโลกกระทา ไม่ว่าใข่ก็ตามเมื่อมาเกิดในโลกทานนี้มามีร่างกายอันนี้หรือเดรัจฉานสัตนเดรัจฉานเขาก็มาสัมผัสกับลาบยศสรรเสริญเหมือนกันสัปดาห์ได้สัมผัสกับลาบก็คือได้เจอเจ้านายด้วยเจ้านายก็เลี้ยงดีเมื่อเช้านี้มีโยคนึงมใส่บาตเอามาใส่ใส่รถเข็น รถเข็นที่เลี้ยงสำหร <abilities> ับเด็กอะเอามาใส่เลี้ยงเลี้ยงหมาแทนเลี้ยงลูกหมามันก็ได้ราบแหลยหมามันก็มีราบลดสรรเสริญเหมือนกันเวลาเจ้าของเจอมันก็ชมมันอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ดีใจเลียปากเลียหน้าถ้าเป็นดูไปด่า <go> ม an ันมันก็น่าจ่อยเหมือนกัน นั่นไม่ว่าใครมาเกิดในโลกนี้จะต้องมาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสี่ประการคือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางตาเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงที่ชอบก็เกิดความสุขเวลาที่ได้ดมกลิ่นที่ชอบก็เกิดความสุข ได้ลิ้มรสกับรสที่ชอบก็เกิดความสุขได้สัมผัสกับผุฏพะที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่รูปเสียงกลิ่นรสผุฏพะมันไม่มีเพียงแต่สิ่งที่เราชอบเนทะ่านั้นสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีเหมือนกันเห็นรูปของคนที่เราไม่ชอบนี้ก็ทุกข์อะได้ยินเสียงของคนที่เราไม่ชอบก็ทุกข์อะ อันนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอนิจจามันไม่ได้มีแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีการจเจริญราบยศสรรเสริญนี่เป็นสิ่งที่เราชอบกันพอเจอความเสื่อมของราบยศสรรเสริญเราก็ทุกข์กันมันเป็นอนิจจาไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลง เกิดดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นของเราถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้สั่งให้มันขึ้นอย่างเดียวเช่นหุ้นนี่สั่งให้มันขึ้นอย่างเดียวดอกเบี้ยนสั่งให้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่ยอมขึ้นบางทีมันก็ลงดอกเบี้ยเนี๋ยนี่เกือบจะติดลบแล้ว เวลามันจะลงก็ลงเวลามันจะขึ้นก็ขึ้นนะเวลาขึ้นเราก็ดีใจสุขกันเวลาลงเราก็เศร้าใจเสียใจทุกข์กันนะนี่คือสิ่งที่เราไปคิดว่าเป็นความสุขนะหาเงินทองกันหาลาบยศรเสริญกันก็นะ เ, เวลาได้มามันสุขไงนะเวลาได้ลาบมามนี่สุข เวลาได้ยศมานิสุกใครได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมานิสุกกันแต่เวลาสูญเสียเนี่ยทุกข์กันราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็สัมผัสเหมือนกันต่างกันตรงที่ท่านไม่สัมผัสเหมือนกับปุตุชนอย่างพวกเรา พระพุทธเจ้าพระหลังตสาวกนี่ท่านรู้ความจริงรู้ว่ามันเป็นทุกข์ท่านเลยสัมผัสแบบหยดน้ําบนใบบัวะหยดน้ําบนใบบัวนี่มันจะไม่ดูดเข้าหากันหยดน้ําลงไปบนใบบัวมันก็เก้งไปเก้งมามันไม่ซึมเข้าไปในใบบัวไม่เหมือนกับหยดน้ําบนกระดาษซับเนี่ย ถ้าหยดน้ำบนกระดาษรับนี่มันดูดกันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันน้ำกับกระดาษจะเป็นเนื้อเดียวกันใจของปู้ตุชนนี่เหมือนกับกระดาษซับนะพอไปสัมผัสกับดาบยกเสนเสือนี่ดูดเข้าไปเลยดีใจก็ดีใจสุดๆเสียใจก็เสียใจสุดๆเพราะนี่เป็นความหลุงของจิตใจที่ไม่เห็น ว่ามันเป็นทุกข์พอได้อะไรมาก็ดีใจกอติดไว้แน่นเลยไม่ยอมไม่จากไปพอจากไปก็เสียอกเสียใจสุดๆเลยเพราะไม่คิดว่าจะจากกันเพราะไม่รู้ว่าเป็นอนิจจะไม่รู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปเป็นหนี้ของที่เขาให้ยืมมา ยืมมาเดี๋ยวเขาก็เอาคืนไปแต่เราไม่คิดกันเราคิดว่าเป็นของเราไม่ใช่เป็นของยืมนี่คือความหนุงเรามองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าจีรังถาวรเท่งแท้แน่นอนเรามองทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นนิจจังจีรังเท่งแท้แน่นอนเป็นสุขขังนิจจังสุขขังอัตตา เป็นของเราใช่ไหมพอได้สามีมาก็เป็นสามของเราได้ภรรยามาก็เป็นของเราแต่ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีกลายเป็นของคนอื่นไปเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ดีๆภรรยาไปเป็นของคนอื่นเข้าสามีไปเป็นของคนอื่นเข้าพอเขาไปเป็นก็โวยวายกันใหญ่ร้องไห้กันใหญ่เสียหกเสียใจกันใหญ่ นี้เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงคือเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลับไปเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขังอัตตากันจึงวิ่งหากันแย่งกันะ แย่งเลา่าแย่งยศย่งสรรเสริญย่งรูปเสียงกิน่นรสผดภทภพักกันแล้วก็มาร้องโหยร้องไห้เศรา้าโศกเสียใจกันเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เราไปแย่งกันมาได้เราได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องเสียมันไปไม่เสียตอนเป็นก็เสียตอนตายตอนตายนี่ก็เสียหมดเลยราบยศสรรเสริญรูปเสียงกิน่นรส ที่หามาได้มากน้อยเพียงไรดูสิเวลาเป็นพนาราธิปดีเป็นพระเจ้าแห่นดินนี่ก็มีราบยศแสนแสนสุขอย่างเต็มที่เวลาไม่ได้เป็นก็ไม่มีเลยศูนย์หมด mm hmm. นี่คือเรื่องของความหลงความไม่รู้ความจริงที่พวกเราจำเป็นจะต้อง มาอาศัยความรู้จริงของพระพุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้านี่สว่างขาวโตภะวตาธรโมะนั้นความจริงล้วนๆตับไว้ชอบแล้วคําว่าชอบก็ตรงกับความจริงของโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขขังหรือจสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ขัง ตเพสังขารลาทุกขาของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์แต่ทำไมพวกเราก็ไม่เชื่อกันยังหากันอยู่นั่นยังหาความทุกข์กันอยู่นั่นพอเสียสิ่งนี้ไปเดี๋ยวก็หามาทดแทนใหม่แล้วเดี๋ยวก็มาทุกข์ใหม่อีก ฟังแบบทัพพีในมใหม้อแกงเข้าใจไหฟังทำแบบทัพพีในหมอ้อแกงไม่เข้าไปถึงใจฟังแล้วลืมฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะเอาไปปฏิบัติตามล mm ูก hmm. ทศเปป mm hmm. จ้าหลอกลาบยดฉันรเสรสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายนี่เป็นทุกข์แทนที่จะหยุดหากันก็ยังหากันอยู่ยังหาลาบยดสันรเสญนะ ยังหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายกันอยู่แล้วก็มาวุ่นวายกับมันเวลาที่มันจากเราไปเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดเพราะเราฟังทำแล้วเราลืมฟังพักเข้าหูซ้ายออกหูขวาพอออกจากที่นี่ไปก็คิดเหมือนเดิม ไปหาความสุขที่ไหนดีวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีไปกินอะไรดีไปเดินอะไรดีนี่คือการที่เราจะแก้ความหลงได้นี่เราต้องหลังจากที่ฟังแล้วเราต้องเอาไปจดจำต้องเอาไปเตือนใจต่อ พอออกจากที่นี่ไปก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่ได้ไปสั่งให้มันมาเรื่อยๆไม่ได้มันมาได้มันก็ไปได้มันขึ้นได้มันก็ลงได้ ถ้าเราไม่คอยตือนเดี๋ยวลืมต้องหมั่นเตือนอยู่เรื่อยๆพอเห็นรูปก็บอกไม่เที่ยงน ะ, ะเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าบอกไม่เที่ยงนะเห็นขนมนมเนยเห็นกาแฟก็บอกไม่เที่ยงน ะ, ะเป็นความสุขปลอมนะเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เวลาที่มันไม่มีเวลาอยากกินแล้วไม่มีกิน เห็นคนหนึ่งเขกินเดินผ่านร้านขนมโอ้ยมีขนมมาเล็ดอร่อยแต่ไม่มีเงินเข้าไปซื้อเห็นแล้วก็น้ําลายไหลพอราะลาบมันไม่เที่ยงเงินทองไม่เที่ยงบางทีก็มีต้นเดือนก็มีพอสิ้นเดือนก็หมดปลายเดือนก็แห้งต้นเดือนก็อชุ่มชื่นเหมือนน้ําต้นไม้ ใจเหมือนใจเหมือนต้นไม้ต้นเดือนนี่เหมือนได้รับน้ำชุ่มชื่นพอปลายเดือนนี้น้ำมันแห้งไปหมดแล้วต้องรอต้นเดือนถึงจะชุ่มชื่นขึ้นมาใหม่เ น, นี่ยราบเนี่ยมันมาแล้วก็ไปต้นเดือนมาพอไม่ถึงไม่ถึงปลายเดือนหมดแล้วบางทีหมดก่อนตั้งแต่ต้นเดือนอตอนทำใจ่ายนี่ ไปนี่คือสิ่งที่เป็นทุกข์เราทุกข์กันทั้งวันนี้ทุกข์กับเรื่องเงินทองเรื่องเรื่องตำแหน่งถ้าเป็นดาหารเป็นข้าราชการก็ทุกข์กับเรื่องตำแหน่งสิ้นปีทีก็นั่งจ้องรอว่านี้ปีนี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศหรือเปล่าจะถูกโยกย้ายไปที่ไหนหรือเปล่า ยศสรรเสริญก็เนื่องของการยกย่องสรรเสริญ mm hmm. เวลาทำะไรถูกใจคนเขาเขาก็ยกย่องสรรเสริญ mm hmm. พอไม่ได้ทำะไรถูกใจเขาก็ไม่ยกย่องสรรเสริญ mm hmm. พอไปทำลายที่ไม่ถูกใจก็โดนเขาฆ่าหานินทาพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านรู้ทัน ท่านจึงทำใจของท่านให้เป็นเหมือนใบบัวสัมผัสแต่ไม่ดุดซึมสัมผัสแต่ไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังลาบมาก็ไม่รักลาไปก็ไม่ชังไม่เสียใจไม่ดีใจการที่ท่านทำอย่างนี้ได้เพราะท่านารู้ว่า การไม่ไปดีใจเสียใจการที่ไม่ไปยินดีล้านนี้เป็นการทำให้เราไม่ต้องทุกข์กันถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเงินทองก็อย่าไปมีเงินทองหรือถ้ามีก็มีเท่าที่จาเป็นเงินทองก็มีไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าไม่มีเงินทองก็ต้องยอมตายเพราะยังไงร่างกายจะมีเงินทองไม่มีเงินทองถึงเวลามันตายมันก็ตายเหมือนกันแต่ให้มีเงินทองร้อยล้านพันล้านเวลามันตายเงินทองก็หยุดหยุดมันไม่ได้ไม่มีเงินทองก็ตายมีเงินทองก็ตายถ้าไม่สามารถหาเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะนั่นก็เป็นความทุกข์อีกร่างกายก็เป็นอนิจจาเป็นสังขารเป็นไม่เที่ยงเหมือนกับลาบยศสารเสวนต้องปล่อยให้มันอยู่ก็ได้ปล่อยให้มันตายก็ได้เหมือนกับลาบยศสารเสวนมันจะมาก็ได้มันจะไปก็ได้ ร่างกายก็เช่นเดียวกันมันจะมาก็ได้มันจะไปก็ได้มันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของไข่ร่างกายเนี่ยเป็นของสับเปลอืออแล้วจากสับเปลอือกก็ไปเป็นของดินน้ําลมไฟสับเปลอือก็เอาไปเอาไปคืนดินน้ําลมไฟเวลาไปเผานี่ไปไฟ ก็เผาน้ำก็ระเหยไปหมดในร่างกายถูกไฟเผาไปหมดลมก็หายไปหมดพอไฟดับไฟก็หายไปหมดเหลือแต่อะไรเหลือแต่เศษกระดูกเหลือแต่ขี้เถ้ามันเป็นอะไรเป็นดินหรือเป็นอะไรร่างกายนี้มันเป็นของดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นของเราแล้วเราเป็นใครเนะ่ย เราเป็นผู้รู้ผู้สั่งผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้คือเราผู้รู้ก็คือเราผู้รู้ว่าเราได้ลาบยศสรรเสริญนี้ก็คือเราผู้ที่รู้ว่าเราได้เสียลาบยศสรรเสริญสุขไปก็คือเราคือผู้รู้นี้เวลาเสียถ้ามีความหลงก็คิดไปหาใหม่ ถ้าไม่มีความหลงเวลาเสียก็ว่าดีใจหมดภาระไปมีก็เป็นภาระต้องคอยแบกต้องคอยดูแลรักษาพอไม่มีแล้วก็สบายเวลามีร่างกายก็เป็นภาระเฮเวเป็นภาระที่หนักเี่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายเติมขึ้นมานี่ก็ต้องอถ่ายละเข้าห้องน้ำํำ อาบน้ำอาบท่าทำชำระความสะอาดของร่างกายแล้วก็ต้องหาเสื้อผ้าใหม่ให้มันมาใส่เสื้อผ้าเก่าที่ใส่แล้วก็ส ก, กปรก<ม>ก็ต้องเอาไปซักมีแต่ภาะระเลี้ยงดูร่างกายเดี๋ยวมันหิวก็ต้องหาาหารให้มันกินเดี๋ยวมันกระหายน้ำก็ต้องหาน้ำมาให้มันดื่ม เราเป็นขี้ค่าของร่างกายเป็นคนรับใช้ร่างกายต้องเลี้ยงดูมันต้องคอยเลี้ยงดูมันพอเราต้องการจะใช้มันใช้มันไปหาลาบยศสารเสรญใช้มันไปหาความทุกข์ให้กับเรานี่โง่หรือจลาทุกข์เพื่อที่จะทุกข์เพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายเพื่อจะได้ให้ร่างกายไปหาความทุกข์มาเพิ่มอ ทุกด้วยการยี้มดูร่างกายเพื่อจะได้เอาร่างกายนี้ไปหาความทุกข์มาให้เราเองบ้าหรือบ้าหรือหรือไม่บา้าฉลาดหรือไม่ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านไม่บา้าท่านไม่ง้ท่านไม่ท่านไม่โง้ท่านก็เลยไม่เอาร่างกายไม่เอาราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจะมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาลกทุกโลกนี้ ท่านไม่เอาร่างกายท่านมันมาเกิดแล้วไม่มีร่างกายแล้วท่านไม่ต้องการราบยศสรรเสริญท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายถ้ายัางต้องกา ร, รลาบยศสรรเสริญต้องการความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายอยู่<ส>ก็ต้องมีร่างกายก็ mm. ต้องมาแบกร่างกายมาเลี้ยงดูร่างกาย พอร่างกายมีกำลังวังชาก็พาร่างกายไปหาราบยศสรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันพอได้มาแล้วเดี๋ยวพอมันเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้กันนี่แหละคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าเรากำลังหาความทุกข์กันมีร่างกายก็ทุกข์แล้วแล้วเอาร่างกายไปหาความทุกข์มาเพิ่มอีก แไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเพิ่มอีกเวลาได้มาก็ดีใจเวลาได้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขก็ดีใจกันพอเวลาเสียลาบยศสรรเสริญ ส, สุขไปก็ร้องโหยร้องไห้กันวุ่นวายกันบางทีก็ถึงกับท่าตัวตายนี่เป็นเพราะว่าไม่ฉลาด ไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตที่เรามีกันอยู่นี้เป็นชีวิตของความทุกข์โลกที่เราอยู่กันนี้เป็นโลกของความทุกข์แต่เรากลับมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเรากลับมองเห็นว่ามันเป็นสุขกันเราจึงอยากจะมีร่างกายอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงร่างกายมีกำลังวังชา เพือเราจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นลดกันแต่พอหามาได้แล้วแทนที่จะเป็นสุขอย่างเดียวเดี๋ยวสุขที่ได้มาหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่เพราะความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญเป็นอนิจจ่าไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไป มันก็ทำให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาสิ้นเนื้อประดาตัวนี้สุขเนื้อทุกข์ถ้าอยู่ดีมันดีก็ดีสมมุติว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เงินทองหมดเลยหาไปหาที่ไหนก็หาไม่มีเลยจะทำยังไงอยู่ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระนาัาสาวกนี้ท่านไม่เดือดร้อน ถ้าไม่มีเงินทองท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านอยู่แบบขอทานได้เดินไปเป็นขอทานเดินบินบธบศ์เนี่ยขอทานถ้าไม่มีกินก็อดได้นี่แหละเพราะท่านอสอนใจไม่ให้ไปพึ่งลาบยศสารเสแสรสอนใจให้อดทนให้มีความอดทนอดกลั้นให้ใจไม่หิวได้ ถึงแม้จะไม่มีอะไรให้เสกใจก็ไม่เดือดร้อนถ้ารู้จักห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากได้ราบยศสรรเสริญไม่ให้ไปอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเลิ้ยงกายถ้าห้ามจิตใจได้ใจจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีราบยศสรรเสริญเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระให้เสก เพราะว่าใจที่ห้ามความอยากได้นี้กับเป็นใจที่มีความสุขมากกว่าใจที่มีความอยากมากกว่าใจที่ได้ทำตามความอยากตอนนี้พวกเราอยู่ในด้านของใจที่มีความสุขเพราะได้ทำตามความอยากได้สิ่งที่อยากได้มาแต่พอไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มา ความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่แต่พระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในด้านของใจที่ไม่มีความอยากพอใจไม่มีความอยากใจจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ลาบยศนสรสิสไม่ได้รู้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อน พระพุทธเจาพระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่มีลาภยศเสริญท่านไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ท่านมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากท่านหยุดใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆได้เพราท่านหยุดความอยากได้ใจของท่านกลับมีความสุขมากกว่าใจของพวกเราที่มีความอยากแล้วก็ได้ความสุขจาก สิ่งที่เราอยากได้กันแต่พวกเราอาจจะได้ความสุขบางเวลาบางเวลาอาจจะไม่ได้ก็ได้บางเวลาอยากจะได้แต่ไม่ได้เวลานั้นมันก็เลยเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากได้อยากได้ลาบพอไม่ได้ลาบก็เสียใจกันอยากได้ยศพอไม่ได้ยศก็เสียใจกันเพราะว่า เราจะไม่สามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเสมอบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็ดีใจกันเวลาไม่ได้ก็เสียใจกันนี่คือการหาความสุขของพวกเราที่กลายเป็นการหาความทุกข์ไปโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าฉันรู้สึกฉันรู้ทัน ตระหนักว่าการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นการห า, ราความทุกข์กันท่านเลยถอยถอยออกจากการหาราบยศสรรเสริญหนี้ไปอยู่ในป่าในเขาที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระให้เสกแล้วท่านก็อยู่อย่างมีความสุข มากกว่าพวกเราที่อยู่กับราบยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลภภิ่นรสผลสะพะนี่คือความแตกต่างของพระพุทธเจ้ากับพวกเราเราหาความสุขด้วยวิธีต่างกันพระพุทธเจ้าหาความสุขด้วยการไม่ทำตามความอยากพวกเราหาความสุขด้วยการทำตามความอยาก เราก็เลยทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วก็เสียไปพอไม่ได้ก็เสียใจพอเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เสียใจอีกถ้าตราบใดเรายังหาความสุขจากการทำตามความอยากอยู่เราก็จะต้องเจอความเสียใจเจอความทุกข์ใจเจอความผิดหวังเสมอ เพราะสิ่งที่เราหามานี้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วพอได้มา้ะบางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเรานงั้นการไม่หาอะไรเลยจะดีกว่าสบายกว่าอยู่เฉยๆนี่สบายกว่าไม่เหนื่อยไปหาเงินทองแต่เราครั้งนี่เหนื่อยไหมเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ไปเป็นกรรมกร ทำ ง, งานในงานขั้นต่ำแบกปูนแบกหินแบกทรายวันละแปดชั่วโมงได้แค่สามร้อยบาทได้มาปเปไปซื้อของกินของใช้พักก็หมดแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็หมดและแบกปูนแบกหินแบกนะอะไรของหนักทั้งวันแปดชั่วโมงแล้วก็เอามาใช้แป๊บเดียวหมดละความสุขได้เดี๋ยวเดียวแต่ความทุกข์นี่ได้เป็น หลายชั่วโมงด้วยกันสู้เอาชนะความอยากไม่ดีกว่าแล้วนั่งเฉยๆเคยสอนญาติโยมหมกให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนั่งทรมานร่างกายด้วยนั่งสบายหาเก้าอี้สบายๆนั่งแล้วก็สู้กับความอยากที่จะไปทำอะไรมันอยากจะไปทำอะไรก็อยากไปทำนอกจาก สิ่งที่จําเป็นต้องทําเช่นเข้าห้องน้ำํำปวดฉี่นี้ก็ให้มันไปอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากเป็นความจําเป็นะถ้าร่างกายต้องการน้ําก็เอาน้ํามาตั้งไว้ที่ข้างที่นั่งพอหิวน้ําก็ดื่มน้ำํำพอปวดฉี่ก็เดินเข้าห้องน้ําแล้วก็อยากไปทําตามความอยากอยากจะลุกไปเดินที่โน่นเดินดที่นี่ก็ไม่ไป อ ย, อยากจะไปทำให้นุ่นอยากจะไปทำให้นี่ก็ไม่ไปอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอะไรก็ไม่ไปอยากจะไปหาราภยศรเสริญก็ไม่ไปอลองนั่งสู้กับมันดูเลยถ้าเราชนะมันนี่ใจเราจะเบาใจเราจะสุขเราจะกําจัดตัวที่มาคอยเจ้าขี้เจ้าการกับชีวิตของเรา มาคอยสั่งการให้เราไปทาไอ้นู่นทำไอ้นี่เราบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่รับคาสั่งจากความอยาอกแล้วถ้าจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นเท่านั้นถ้าจะมาสั่งให้ไปหาลาบยศสารเสริญมาสั่งให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยจะไม่ไปจะนั่งเฉยเฉยนี่นั่งเฉยเฉยสบายจะตายไป ดีกว่าไปทำงานเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทั้งวันแล้วก็ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการเอาเงินที่ได้มาไปใช้อีกเวลาไปซื้อของก็ต้องไปเดินในห้างในร้านไปเลือกไปดูซื้อมาแล้วก็ต้องแบกกลับมาบ้านขนกลับมาบ้านขนกลับมาแล้วก็ต้องมาคอยเก็บอีกดูแลรักษามันอีก นีแต่การหาความทุกข์ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวนั่งเฉยๆกับไม่เป็นสุขกันอยู่ไม่เป็นสุขเพราะความอยากนี่มันเหมือนกับน้ำทิ่มแทงก้นนั่งบนเก้าอี้แล้วมันจะมีนามโผล่มาแทางก้นให้ลุกขึ้นพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บนั่งไม่เป็นสุขบางทีไม่มีความอยากอะไรอยากจะลุกจากเข้าที่นั่งนี้ เพื่อไปเดินไปตรงนู้นเพื่อจะไปดูที่หน้าต่างว่าข้างนอกหน้าต่างมีอะไรบ้างเท่านั้นเองพอดูสักพักก็เบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็ทิ่มก้นให้มันกลับมานั่งใหม่มันก็หลอกเราไปหลอกเรามาอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราต้องฝืนมันเพราะการฝืนมันนี่จะทําให้มันตายถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันจะตายมันจะไม่กลับมาอีก มันจะไม่มารอบกวนเราอีกเราจะนั่งเฉยๆไปได้อย่างสบายจะไม่มีอะไรมารอบกวนให้เราต้องลุกไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเพราะเราจะฝืนความอยากไม่ทาตามความอยากเหมือนกับฝืนบุหรี่ฝืนสุรานี่คนที่จะเลิกบุหรี่เลิกสุราได้ก็ต้องฝืนมันเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบ เวลาอยากจะดื่มสุลาก็ไม่ดื่มพอทุกครั้งที่มันอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากนั้นมันจะหมดกาลังมันจะรู้ว่ามันไม่มีความมันมีอิทธิพลที่จะมาบังคับให้เราไปทําตามความอยากได้แล้วเราก็จะสบายไม่มีใครมาคอยกำกับมาคอยบังคับมาคอยจี้ให้เราไปทําอะไรต่าง ทำแล้วก็แทนที่จะได้ความสุขกับได้ความทุกข์ตามมาอีกวเพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขเดียวเดียวพอได้ส่บุหรี่ก็สุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความหงุดหยิดเกิดความอยากจะสูบุหรี่ขึ้นมาอีกวนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าการหาความสุขนี้มีสองวิธีด้วยกัน คือการหาความสุขปลอมกับการหาความสุขจริงตอนนี้พวกเรากำลังหาความสุขปลอมกันหาความสุขชั่วคราวหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาคือการหาความสุขด้วยการทำตามความอยากอยากได้อะไรก็ไปทำเวลาได้ทำก็สุขเวลาไม่ได้ทำก็ทุกข์อันนี้ พระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิธีอีกวิธีหนึ่งในการหาความสุขคือการหาความสุขด้วยการไม่ทำตามความอยากตัวการเกิดความอยากก็ไม่ไปทำตามความอยากอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ไม่ทำพอไม่ทำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันหมดกาลังแล้วมันจะไม่มีอะไรมาคอยยี่ให้เราต้องไปทำนู่นทำนี่ ทำให้เรานั่งเฉยๆก็มีความสุขอยู่เฉยๆก็เป็นสุขนี่นะความทุกข์ของเราทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงสรุปลงที่ความอยากนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบไปเช่นลาบยศสรรเสริญมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันเพราะว่า ของที่เราลักเราชอบมันต้องจากเราไปพอมันจากเราไปเราก็เสียใจกันทุกันพอไม่มีเราก็อยากได้กันเวลาอยากได้ก็ทุกเพราะต้องไปหาถ้าอยู่เฉยๆมันก็ทุกต้องไปหามาพอได้มามันถึงหายทุกมันก็เลยเหมือนกับมันได้ความสุขความจริงมันเพียงแต่ทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหายไปเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวพอความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีก ความทุกข์ใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วลมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความอยากนี่มันเหมือนอคลื่นในท้องทะเลเห็นนะลองไปนั่งที่ชายทะเลดูสิคลื่นนี้มันมาเป็นขบวนเลยอลูกนี้มาแล้วลูกตามมาก็ตามมาไม่เห็นลองไปนั่งนับดูเสียงมีกี่ลูกหมดนะมันจะหมดก็เฉพาะช่วงที่มันหยุดช่วงที่น้ํามันนิ่งทั้งเองยใจของเราก็เหมือนกัน ถ้ามีความอยากมามันก็จะทำให้ใจเราปั่นป่วนทำให้ใจเราสัน่นทำให้ใจเราทุกข์กันแต่ถ้าเราทาให้ความอยากนี่หายไปได้ใจเราก็จะนิ่งเหมือนน้ำในท้องทะเลเวลาน้ำนิ่งนีง่ไม่มีคลื่นเข้ามาแล้วเฉะั้นจุดหมายปลายทางของการหาความสุขของพระพุทธเจ้าของพระสาวกก็คือ การไม่ทําตามความอยากไม่ทําตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรพะไม่ทําตามความอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ทําตามความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้เพอท่านสามารถเอาชนะความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วใจของท่านก็อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมา ให้ความสุขเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันลองซ้อมสู้ความอยากกันดูลองหาเก้าอี้สบายๆ ส, ส, สักตัวหนึ่งแล้วก็นั่งเฉยๆ ตอนต้นเอาสักชั่วโมงก่อนก็ได้ต่อไปก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจะไม่ต้องทําไม่ทําอะไรหาวันที่เราไม่มีธุระปะปั่งที่จะต้องทําอะไรเช่นวันหยุดทํางานนี้เราไม่มีธุระต้องทําอะไรเรานั่งเฉยๆสู้กับความอยากเดีย แ, แล้วถ้าเราชนะมันนี้เราจะมีกําลังเราจะทําให้เราจะสู้กับความอยากที่ยังเหลืออยู่ได้ ย, ยิ่งชนะมันเท่าไหร่เรายิ่งมีกำลังมากขึ้นไปเท่านั้นต่อไปเราก็จะสามารถชนะความอยากที่ยากความอยากมันมีทั้งมีทั้งแบบง่ายและแบบยากแบบง่ายๆก็คือนั่งตรงนี้ก็อยากจะไปลุกไปไปอยู่ตรงนู้นอันนี้มันง่ายก็อยากไปนั่งตรง น, นี้แต่อยากจะลุกไปยืนไปดูตรงหน้าต่างก็อยากไปความความอยากที่ยากก็คือ อยากให้คนนั้นคนนี้ทําไม่ทําอย่างนั้นไื่ทําอย่างนี้เนี่ยเอาไปเราก็จะหยุดมันได้ตอนต้นเอาหยุดความอยากง่ายๆก่อนหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่จะต้องไปตรงนู้นมาตรงนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรที่จะต้องไปตรงนู้นเนื้อมาตรงนี้เมื่อมันไปแล้วมันต้องมาตรงนี้ก็ไปทําไมก็นั่งอยู่ตรงนี้ไปก็หมดเรื่อง ถ้าถ้านอนนี้เดี๋ยวเบื่อขอลุกไปไปยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวยืนสักพักก็เบื่ออีกเบื่อแล้วเดี๋ยวก็กลับมานั่งตรงนี้อยู่ดีที่เบื่อเพราะมันอยากมันอยากจะไปที่อื่นมันก็เลยเบื่อที่ตรงนี้ท่านั้นเองมันก็เป็นความอยากความเบื่อนี่ก็คือความอยากดีๆนี่อเบื่อตรงนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะไปตรงนู้นมันถึงเบื่อตรงนี้พอไปตรงนี้ไปพอไปตรงนู้นแล้วกลับอยากกลับมาอยู่ตรงนี้อีกละตรงนี้ไม่เบื่ออีกแล้วอะ เหไมเวลาอยู่บ้านก็เบื่ออยากจะออกบ้านออกไปข้างนอกบ้านสักพักแล้วเดี๋ยวก็เบื่ออยากจะกลับบ้านนะเบื่อเบื่ออยากอยากเนี่ยเพราะความอยากงั้นลองสู้กับมันดูอยู่บ้านไปมันอยากจะออกนอกบ้านไม่ไปอยู่ไปจนกระทัางความอยากออกนอกบ้านมันไม่มีแล้วต่อไปมันก็ไม่มันก็ไม่เบื่อมันก็อยู่ในบ้านได้ที่มันเบื่อเพราะมันอยากออก แล้วถ้าออกเรามันต้องออกอยู่เรื่อยๆมันไม่มีวันหมดมันจะหมดต่อเมื่อเราไม่ออกมันอยากออกเราไม่เราไม่ออกแล้วต่อไปมันพอมันความอยากออกไม่มีแล้วมันก็อยู่บ้านได้อย่างสบายไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยยากเปล่าๆนะนี่คือความจริงความสุขของพวกเราที่แท้จริงอยู่ที่การไม่ทาตามความอยากการทำตามความอยากนี้เป็นการหาความทุกข์ นี่คือข้อสรุปของธรรมะของในวันนี้ความจริงวันนี้เรามาเรียนความจริงว่าความสุขอยู่ที่ไหนกันนะความสุขอยู่ที่การไม่ทำตามความอยากการทำตามความอยากนี้เป็นการทำเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขทุกวันนี้เราทุกข์กันก็เพราะความอยากนี่เองถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ โดยการลองหัดนั่งเฉยๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆอยากจะทำอะไรก็ไม่ทำแม้แต่อยากนอนก็อยากให้มันนอนบางทีมันก็จะหนีแวบด้วยการนอนนอนก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้ให้มันนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรถ้านั่งนานแล้วเมื่อยอนุญาตให้ยืนได้ยืนตรงที่นั่งข้างๆที่นั่ง อินพอหายเมื่อก็กลับมานั่งใหม่ถ้าปวดฉี่ก็ไปเ้ห้องน้ําหรือถ้าถ้าที่ดีกลัวมันจะเทเลทไลา ย, ายเดี๋ยวไปห้องน้ําแล้วเดี๋ยวจะฉาบไปที่อื่นก็เอากระโถนมานั่งอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> มันจะได้ <c oughs> มันฉลาดนะมันเดี๋ยวมันหาช่องออกมั น, มนจะปวดฉี่ขึ้นมาเรื่อยๆเ <c oughs> <c oughs> อาแล้วนะนี่คือเรื่องของการมาหาความรู้จากการฟังเทศฟังธรรม ธรรมะคือความรู้<ม>เพื่อที่จะมาแก้ความหลงคือความไม่รู้โมหะอวิชชา<ม>ถ้าไม่ฟังธรรมเราจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องเราเหล่านี้โดยเด็ดขาดอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันตสาวกเท่านั้นนอกจากนั้นนี้สอนให้เราทำตามความอยากกันทั้งนั้นเธอไม่ไปหาแฟนหรือแฟนเธอไม่มีแล้วเธออยู่คนเดียวไม่เหงาเลย สอนให้ไปทําตามความอยากอยู่บ้านไม่เหงาเือไปเที่ยวกันไหม <S <S สอนแต่ทําตามความอยากนะไม่มีใครมาสอนว่าเธออยู่บ้านอ่ะดีแล้วอยู่เป็นสุขแล้วอย่าไปเธอเป็นโซนอ่ะดีแล้วอย่าไปมีแฟนไม่มีใครสอนอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าคนสอนก็เป็นคนโง่งทั้งนั้นเนะข้าใจไหมเอาแล้วนะการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวะหาปุราปุริปุเรนติสาคารงเอวเมวะอิตุทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยะถาสพิตโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนศีลสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทางติอายุวโนสุขัง อาลานยัง ไ, ไงคนสมรวยอาล้ า, ลานคนไหนมาน้องข้าวนองข้าวเล ย, ย, ยตัวเบเริ่มมานะตัวอย์เรี่มมนี้ัวเบอยู่รี่มมานะตัเบอร์เริ่มมนัเบอร์เริ่มนัวเอย์เที่มมนต อ, อนร์เริ่มม เรียนปีไหนนะปเิดรียนยนคณะอะไรคณะต่อที่ที่จะเรียนแพทย์ต่อใช่ครับเรียนต่อที่นั่นเลยนะที่อยู่นี่แหะได้ทุนหรือเปล่าได้ทุนหรือเปล่ายังไม่้ทุนยังไม่ได้ทุนว่าจะจัด้อยู่ง้นไง S <S ม, ม, มัหลายจะมาปฏิบัติธรรมทันทีว่าจะมาค่ะอยากจะมาปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าก็มาสิมากระยับก็ได้เนี่หมอเขาตรวจแล้เป็นมะเร็งปอดก็เลยห่อนที่จะตายเลยอยากจะมาทาใจไม่กลาหยุดความอยากไม่ตายถ้าอยากถ้าหยุดความอยากไม่ตายน่วจะตายอย่างเป็นสุขที่ตายอย่างความทุกข์เามันอยากไม่ตายกันยังไม่ยอมตายกัน ถ้ามันยอมตายแล้วมันจะสุขงั้นยอมตายซะยอมแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะยอมไม่ยอมก็ต้องตายไม่ใช่น่ะนั่นสิเราไปทุกข์กับมันทำไมที่มันทุกข์เพราะมันไม่ยอมตายกันพอมันยอมตายแล้วมันไม่ทุกข์มันกับมันนอนหลับไปเท่านิดหนึ่งสบายนะยอมตายนะถ้ามันจะตายก็ต้องยอมตาย ถ้ามันย่ถ้ามันจะอยู่ก็อย่าไปอยากตายถ้าอยู่ก็ต้องให้มันอยู่ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายเราต้องเฉยๆระหวังความตายกับความเป็นมันจะเป็นก็ให้มันเป็นมันจะตายก็ให้มันตายแล้วเราจะไม่ทุกข์ก็ความอยากอยูเหมือนกันมแม่แม่ว่ะทำงานอยู่เลย เราจะกลับไปเมื่อไหร่มหาลัยใกล้จะเปิดล้องแน่เลยนะใกล้จะเปิดสักวันที่กลับไปวันที่สิบแล้วลูกของน้องอยู่ที่ไหนของน้องก็ทางานที่การจฟบุรีนะเสร็จก็เลยจบทางานอยู่ค่ะสบายแล้วนะสบาแล้วค่ะดห่วงแล้ว น้องขาวอีกหลายปีอาเนแท้นี่ยมันสิบปีเลยไม่เ่เลจบมาต้าแก่พอดีมีคนทั้งสาวสิบอนตอนนี้ยังอีอ่แิบก็พยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำ อ, อ, อะไรทีตอนนี้ก็รู้สึกยอบ้างะครับว่าคือมันยากจริงว่าคือเวลาที่ผมจะเรีนผ ม, มอยากแก่อนที่จ ก็หันนั่งสมาธิอื่นนั่งสมาธิแล้วากทำให้มันไม่เครียดพ่อผมบอกว่าให้เรียนคนเดียวั้งนี้ผมกันก็ต้องมีเวลาต้องมีเวลาพักบ้างพักจิตพักใจพักร่างกายวิธีพักที่ดีที่สุดก็นั่งสมาธิดีกว่าไปเล่นเกมดีกว่าไปเข้าบาร์เข้าผับ ภาพแบบนั้นภาพแบบอไม่ดีแล้วถ้าพบกับเพื่อนที่แบบอีกทางไปโตด้วยดีพเรพราะเพราะเจ้าบอให้พบกับคนดีกว่าเราฉลาดกว่าเรารอย่าไปพ<ข>บคนที่โง่กว่าเราถ้าพบกับแฟนที่แบบโอเคตอนนี้ยังไม่มีแฟนดีู่่ะไปเรียนจบแล้วถ้าไปบี้ก็เดี๋ยวมีแฟนแล้วมันจะ มันจะมันไม่มันจะไม่เรียนมันจะเรียนบาแล้จี้ทางหนึ่งๆๆมันจะเข้าห้องแบบบ่อยอยวาเพิ่งมีแฟน <toda> แฟนะมีแฟนแล้วใจแตกอังี้กำวลเกับเรื่องแฟนไม่มีะจะติดกระจายเรียนหนังสือ อันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ400ทางเฟซบุ๊กสูงสุด476ค่ะทางยูทูบ65ค่ะยูทับช่วงแรกมีปัญหาหน่อยเอ็นขยับแล้วขยับไมโครโฟนอยู่สายนะครับสายมีปัหานิดหน่อยอันนี้ใช้ได้ดีแล้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้ มีลูกที่แบบถูกปกครองไม่ดีแล้วลูก เ, เกลียอะไรนะลูกเกลียบบลูกเกลียแม่ไม่ไม่คุยกันเลยมาหลายปีแล้วออเราก็คือก็พยายามตามที่แม่จานบอกอะไรเนี้ยว่ก็คือเข้าใจอแต่ว่าคือบางครั้งมันก็เสียใจไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะเราอยากให้เขาลักเราเนแล้วเขาไม่ลักเราเขาเกลียเราเราก็เสียใจ เราก็เปลี่ยนใจอย่าไปให้เขารักเราสิมันก็มันก็จะไม่เสียใจเราต้องเข้าใจว่าความจริงเขาเนี่ยเป็นลูกเราเพียงทางร่างกายท่งนั้นเองร่างกายเขาเนี่ยมาจากเราแต่ใจเขานี่อาจจะเป็นข้าศึกศัตรตูกับเรามาในอดีตก็ได้อาจจะเกลียดกันมาตั้งแต่ชาติก่อนนู่นพอมาเจอเราก็เกลียดทันทีเลยนั้นเราต้องแยกแยะว่า ปั่นเป็นลูกเขานี่ยเขาเป็นลูกเราที่ร่างกายเขาเราให้ร่างกายเขาแต่ใจเขานี่เขาไม่เราไม่ได้เป็นแม่เขาทางใจทางใจนี่กรรมเป็นแม่ของเขาเป็นพ่อของเขาเรามีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดเห็นไหมคําว่าเรานี่คือใจใจของพวกเราเนี่ยมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะทํากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นเขาอาจจะมีกรรมอะไรกับเรามาในชาติก่อนอาจจะเป็นข้าศึกศัตรูกันมนาะพอมาเจอกันก็เลยเกลียดกันแต่เราก็ไม่ได้เกลียดเขาก็เพราะว่าเราเราเห็นว่าก็เป็นลูกเราไงเราก็เลยไม่เกลียดเขาพ่อแม่ไม่มีใครเกลียดลูกเราแต่เราต้องรู้ว่า เราไม่เกียดที่ร่างกายของเขาแต่ใจของเขานี่เรามองไม่เห็นเราเห็นกายเขาแต่เราไม่เห็นใจเขาถ้าเรารู้ว่าใจของเขาเป็นข้าศึกศัตรูเราเราอาจจะอาจจะเกียดเขาก็ได้แต่เราไม่เห็นใจเขาเราเห็นร่างกายเขาเราก็เลยรักร่างกายเขาอาใจไหม เ, เ, รเราต้องแยกออกจากเขา กัรสองส่วนคนเรามีทั้งร่างกายและใจร่างกายนี่มันเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้ใจทีใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดใจเกลียดใครมันก็จะพูดไม่ดีกับคนนั้นนั่นใจเขากับใจเรานี่อาจจะมีอดีตกันมาไม่ดีเป็นเวรเป็นกรรมกันมาก็เลยไม่รักเราไม่ชอบเราเกลียดเรา ก็เหมือนกับว่าเราก็เลยเข้าไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้นั่นแหละก็ไม่คิดเท่นใน้ฟังเลยเป็นอนัตตาเข า, าไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไม่ได้ไปห้ามเข า, าไม่ได้อนัตตาแปลว่าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ที น, นี้เราทําอะไรนไี้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปแขรคนอื่นใช่ไหมคะว่าคือไม่ว่าเรายิงไปยุง่งเขาก็จะยิ่งทําตัวให้แย่ลงแต่คนอื่นก็จะมองว่า ค, คือเรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ทําไปเรยเลี้ยงเขาไป ในฐานาเนียที่เป็นแม่เป็นลูกอะไรก็แล้วก็ทำหน้าที่ของแม่ที่ดีไปเลี้ยงลูกส่งเสียให้เขาเรียนไปส่วนเขาจะรักเราหรือไม่รักเราเนีเราอยากไปอยากอยากไปอยากให้เขารักเราที่มันเหมือนกับการทำบุญยมมาทำบุญไดยมอยากให้อัตมารักโยมหรือเปล่าก็ทำแบบนั้ น, นเราทำเพื่อเราเราเลี้ยงเขาแล้วเราได้บุญเรามีความเมตตา จะมีความเสียสละมีการแบ่งปันเราได้ทําทานคิดอย่างนี้ส่วนเขาจะเห็นบุญคุณของเราหรือไม่เขาจะมีความกระตำอยู่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเขาเราก็สอนได้ถ้ายังมีโอกาสก็ถ้าพาให้เข้าไปบวชเลนได้ก็บวชเลนเผื่เพราะเวลาเข้าวัดเข้าวาจะได้ฟังเรื่องดีๆมาอบรมบำบใจเขาให้เขา อมีธรรมะทํมมาทให้เขาเห็นผิดให้เขาเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นชอบนี่มามาเห็นถูกได้การที่จะไปโกรธแม่เกลียดแม่ทางไว้ก็จะสอนให้เราลดถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อของแม่ ม, มันตรงกันข้ามเลยถ้าหนูเข้าไปยุ่งเลยเขาเนี้ย uh huh. เขาก็ ด, าด่าไปทางนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเร า, เาถ้ามันาสายเกินแก้ก็ต้องปล่อยไ ป, mm hmm. ไปก็ทําใจไปคิดว่าตายจากกันไปก็แล้วกัน เดี๋ไม่ไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายจากกันอยู่ดีตอนนี้ก็ให้มันตายตายตอนเป็นเนี่ยจากกันแบบตายแบบเหมือนก็เหมือนกับว่าเขาตายไปแล้วถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาเราจะไม่ทุกข์ความจริงเราไม่ไม่ไปรักมันนะสบายกว่าจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันที่เราไปทุกข์เพาเรารักมันพอรักมันก็อยากจะให้มันรักเรา มันไม่รักเราเราก็เลยเสียใจแล้วอย่าไปรักมันเลีเ้ยงมันเป็นเลี้ยงหมาตัวหนึ่งท่านเลี้ยมหาจรจัดด้วยไม่ใช่หมาขี้เลื่อนด้วยเดีย๋ยวหมาสวยก็ไปรักมันอีกอะคิดว่าเป็นกรรมของเราอคิดว่ามันเป็นเป็นหน้าที่ของเราในฐานะของผู้เป็นมนุษย์จะต้องทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เราไม่เป็นเดราาัจฉานไม่ใช่ข้อแล้วก็ทิ้งให้มัน หากินของมันเองเราเป็นมนุษย์เราก็มีหน้าที่จะต้งองเลี้ยงดูให้มันเจริญเติบโตให้มันมีความรูม้ความฉลาดขึ้นความห่วง ห, งหลายๆอย่างที่ว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไดีๆแล้วแล้วก็คิดว่าแต่ถ้าเกิดเขาโดนจับเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยมันมีความห่วงอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะ ใช่เพราะว่ามันยังไม่เกิดเนี่ยเราไปคิดมันเองบางทีมันไม่เกิดอันนี้อาจจะทําให้เขาเกลียดเราก็ได้เพราะว่าไปไปยุ่งมากเกินไปเนี่ยยุ่งเลยค่ะเลยเขาเขาไม่ให้พูดเลยเอไม่พูดก็ไม่พูดท<อ>ี่เขาไม่พูดเพราะเราไปพูดก่อนใช่ไหมเขาถึงบอกไม่ให้พูดคือพี่ว่าจะสนทนาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาคุยกับพ่พอแล้วเราก็แบบว่า เขามีเซอร์เริ่มิดหน่อยอะไเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ถามความเห็นไปต้องมาพูดอ อ, อก็แบบว่ามีว่าบอกพ่อว่าเอาวี่คาณนี้ออกไปจากชีวิตได้ไหมถ้าเขาต้องการอย่างงั้นก็ออกไปสิ่หมงอนคนมีต้องเป็นล้านเป็นเป็นพันล้านเสียไปคนหนึ่งมันจะเป็นมันจะไปเดือดร้อนตรงไหนใช่ไหมก็ อ, อย่าไปสนใจมันก็แล้วกันกีวตาจากกันไป ดีเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเวลานอนจะได้ไม่ห่วงว่ามันจะกลับบ้านหรื อ, อยังมันไปข้างนอกไปเป็นเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเออไม่ต้องไปคิดถึงมันเราก็ยังหวั่นไหวคงไปแคร์คนอื่นว่าเขาพูดว่าเหมือนกับว่าเราก็ปล่อยปะแล้เลยลูกลยอะไรเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ทำํำนะคนอื<ๆ>่น<ๆ>เขาไม่รู้เหมือนเรารู้อ่ะ เ, เรารู้ว่าเราแคร์อย่าตายไปคนเขาไม่รู้เรื่องของเขาเลย เขาจะว่าไงเขาก็รู้ไปตามที่ภาษาเขาเราเแคร์เขาจนกระทั่งแคร์ไม่ได้แล้วมไม่ใช่ไม่แคร์แคร์จนกทั่งเขาไม่ให้แคร์แล้วเดีไม่ต้องไปสนใจเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องของเรา<ม>ใช่ไหมก็มมรับฟังไปเฉยๆก็แล้วกันชาวบ้านเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาแหละ แต่เขาไม่รู้ดีเท่ากับเรารู้หรอกอะไรเป็นอะไรใช่ไหมดังนั้นก็ปล่อยเขาพาดไปแล้วขอบใจเข้าไปสาทุปไปไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปอธิบายเพราะอธิบายให้คนตาบอดฟังอธิบายไงมันก็ไม่มองไม่เห็นอยู่ดีขอ้อสำคัญจะให้เราต้องทำใจให้ได้หยุดความอยากอยากให้เขารักเราหยุด ความยากอะไรต่างๆ ท, ที่เกี่ยวข้องกับเขาอยา่าไปมีความอยากกับเขาเลยจบเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชัว่วก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วเมื่อเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเราก็ก็สบายสิไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเนหน็ดเหนื่อยเหมือนโยมเอาเงินให้ให้คนแล้วคนก็บอกเขาแม่เขาไม่ต้องการโยจะทำอะไรการเงินก้อนนะั้น เก็บไว้ในป่าเอาไปใช้ ย, ย่างอื่นก็ได้เอาความเมตตาไปให้กับอย่างที่อื่นก็ได้ถะอวทางว่าคำถามฝากขึ้นมาเลยคำถามฝากถามค่ะตอนเด็กๆ เ, เคยฆ่าสัตว์หักคอปกบปลาเอามาเป็นอาหารโยมปฏิบัติทำมาแดปีแล้ว เวลานั่งเดินและสวดมนต์จะมีอาการจุกที่คอหอยโยมใช้พุโทโธบางทีก็ดูลมหายใจก็แน่นจุกเป็นเพราะเหตุใจคะก็ต้องไปหาหมอมืถ้ามันเกี่ยวกับร่างกายก็ต้องถามหมอดูนะฮะมันก็เป็นอะไรก็มันถ้า ม, มันเป็นทางกายก็เป็นทางใจ ถ้าเป็นทางร่างกายก็ต้องให้หมอเขาหาสาเหตุดูว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นทางใจก็เป็นกิเลสเข้าใจไหมเวลาพอจะมาปฏิบัติธรรมทีไรมันจะมีอุปสรรคขึ้นมาทันทีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาทันทีเดี๋ยวถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสกิเลสมันจะไม่อยากให้เราปฏิบัติมันก็เลยสร้างอาการต่างๆขึ้นมา เวลาไปชอปปิง้งเดินชอปปิ้งนี่เป็นชั่วโมงไม่รู้สึกมีอาการอะไรเลยเพลิดเพลินอันนั้นก็สวยอันนี่ก็สว ย, อนนสวยพอเดินจงกลมนี่มองไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่มีอะไรให้ดูมันก็เลยเกิดอาการอึดอัดขึ้นมามนเหมือนที่เมื่อกี้บอกลองนั่งเฉยๆในห้องดูเฉยๆสักชั่วโมงเนีลยอึดอัดขึ้นมาทันทีแต่ถ้านั่งรถไปเที่ยวนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่อึดอัดนะ นั่งรถไปเที่ยวมองเห็นนู่นเห็นนี่ตลอดทางแต่ถ้าเกิดรถไปติดที่ไหนปั๊บเนี่ยอึดอัดขึ้นมาเลยใช่ไหมเวลาราติดนี่ทำไมอึดอัดทำไมเวลารถไม่ติดทำไมไม่อึดอัดมันก็นั่งอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเพ<ช>ียงแต่ว่ารูปมันเปลี่ยนไปนะมีรูปให้ดูอยู่เรื่อยๆ เ, เปลี่ยนรูปไปนะมันก็เลยไม่อึดอัดถ้านั่งเฉยๆมีหนังสือที่มีรูปสวยๆให้เปิดดูมันก็ไม่อึดอัดใช่ไหมมีภาพกระเป๋าภาพรองเท้าภาพอะไร เพชรเอยแหวนเอ่ยนาฬิกาโอยิ่งดูยิ่งเพลนยิ่งมีที่สั่งฮสั่งซื้อได้ด้วยโอ oh, ยิ่งเพลใหญ่นั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้นั่งแบบนี้พฟายนั่งเฉยๆไม่มีอะไรให้ดูนี่เดี๋ยวเกิดอาจารย์จุกท้องจุกเสียดทองขึ้นมาแล้วปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะเรื่องของกิเลสละเขาเรียกกิเลสสมานะอ่ คำถามจะคุณทัศนีค่ะนั่งสมาธิอยู่กําลังจะเข้ารวางังมันสะดุกทําให้หลุดค่ะจะแก้อย่างไรดีคะก็ให้มีสติให้มากขึ้นฝึกสติไปถ้ามันเป็นก็ถ้าเราก็ต่อไปถ้าเราพูดโทก็พูดโทต่อไปถ้าเราดูรวมก็ดูรวมต่อไปแสดงว่าสติเรายังงมลุกคลุกขานอยู่ยังไม่ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องเราจะไม่มีอาการอย่างนี้ คำถามจากคุณบีบค่ะสังโยชน์ตั้งแต่โสดาบันถึงอรหังมัชยังมีอวิชชาปฏิบัติอยู่หรือเปล่าครับอวิชามันก็คุมตลอดเนี่ยคุมตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเนเอวิชชาเป็นผู้ทําให้เกิดสังโยชน์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยอพอเรากําจัดสังโยชน์ขั้นต่ําได้เราก็ยังมีอวิชชา กำกับสัมโยชน์ขั้นที่ที่ที่ลองลองต่อมาจน ก, กว่าเราจะเข้าไปกาจัดอวิชชานั้นนะถึงจะสัมโยชน์ถึงจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงคําถามจากทาง facebook นะครับจากคุณไหมนะครับถ้าทํางานที่ไม่ถนัดไม่ชอบเพราะเราไม่เคยทําทําให้ไม่มีความสุขในการทํางานเพราะเวลาทํางานแล้วรู้สึกว่าไม่เก่งแล้วทําให้ไม่ค่อยอยากจะทํางาน อยากให้พระอาจารย์ช่วยบอกแนวคิดให้มีความสุขหน่อยค่ะก็ถามตัวเราเองว่าเรามีทางเลือกหรือเปล่าถ้าเรามีทางเลือกไปทํางานที่เราทำแล้วมีความสุขได้แล้วก็ไปทํำสิไปทํางานที่เราไม่มีความสุขทำไมแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องถามว่าถ้าเราไม่ทําแล้วเราอดตายกับทําแล้วเราไม่อดตายนี่เราจะเลิศยังไงถ้าถ้าทำแล้วไม่อดตายถึงแม้ว่าจะไม่มีความสุขก็ยังดีกว่าอดตาย ดีกว่าไม่ทําแล้วอดตายงั้นเราก็ต้องใช้เหตุใช้ผลไล่ไปแล้วความรู้สึกต่างๆมันก็จะหายไปสมมติรเราต้องทํางานนี้เพราะว่าเราไม่สามารถไปหางานอย่างอื่นทําได้นี่เป็นงานที่เราไม่ชอบแต่ทักงานนี้มันทําให้เรามีข้าวกินให้มีเงินใช้กับการไม่ทํางานกับการตกงานนี่คุณจะวทางไหนดีกว่ามันก็ต้องถามด้วยเหตุด้วยผลไปแล้วมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจเอ ทำไปถึงแม้จะไม่สุขก็ยังดีไม่อดตายอย่างน้อยก็ยังมีเงินเดือนมีเงินซื้อของกินของใช้ได้ดีกว่าไม่ทําไปทํางานไปทำอะไรที่เราไม่ทำแล้วไปทําในสิ่งที่เราไม่มีเงินเดือนเนี้ยเราก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาเราก็อาจจะลําบากกว่าดังนั้นก็ช่างต้องช่างเหตุช่างผลอยู่ทางนี้ทําอย่างนี้เราจะได้อะไรบ้างจะต้องเจออะไรบ้าง ท้งนี้ทำแล้วจะได้อะไรบ้างจะเสียอะไรบ้างต้องน้ำหนักดูว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันคำถามจากคุณบุพชาถามมานะครับว่าการนั่งเฉยๆหนึ่งชั่วโมงสามารถบริกา ร, รพุทโธได้ไหมครับได้ให้ใช้อะไรที่มีอยู่ใน ใ, นใจเรานี้ได้แต่ห้ามฟังธรรมห้ามอ่านหนังสือธรรมะคือเราต้องการปฏิบัตินะตอนนั้นอยู่ในช่วงปฏิบัติช่วงที่เราปิดตาราละ เราเราจะเอาธรรมะที่มีอยู่ในใจนี่มาใช้แลวอวธรรมะที่จะคอยเตือนใจแล้วว่าอย่าทําตามความอยากอย่าทําตามความอยากทําทตามความอยากแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดอยากลุกก็เดี๋ยวมันก็จะลุกอยู่เรื่อยๆดังั้นต้องนั่งไปจนกว่าเราจะครบเวลาแล้วค่อยลุกที่สําคัญห้ามหลับด้วยใช่ไหมครับห้ามหลับด้วยห้ามใช้ะไรภายนอกให้ใช้ สิ่งที่มีอยู่ในใจเราสติปัญญาของเราเนี่ยใช้ได้สมาธิของเราได้อยู่ะะจะคุณปานะครับอยากทราบว่าคนที่ทำผิดศีลมาตลอดชีวิตเมื่อจะตายแต่เขามีความรู้อยู่บ้างว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าและภาวนาพุทธโธเพื่อจะหนีกรรมหรือขึ้นสวรรค์จะเป็นไปได้ไหมครับก็มีโอกาสแต่มันหนึ่งในล้านอะอย่างองคุลิมาอย่างเงี้ยองคุลิมาก็ฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเกสิบเก้าคน แต่สามารถมาเปลี่ยนใจหยุดฆ่าแทนที่จะฆ่าคนที่หนึ่งพันก็มาฆ่ากิเลสแทนฆ่าฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากต่างๆภายในใจได้ถึงแม้กรรมเก่าที่จะทํามามากน้อยเพียงไรกรรมเก่ามันยังไม่มีเวลามาส่งผลเราสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าได้อย่างพระโสดาบันนี้พอท่านได้เป็นโสดาบันนี้กรรมเก่าที่ท่านทําที่จะส่งให้ท่านไปอาบานี้ไม่สามารถจะมา มามามีอิทธิพลต่อใจของท่านได้แนละท่านพ้นอบายได้ย <Yeah. S 1> ิ่งไม่แน่คนที่ใกล้ตาย <Yeah. S 1> ถ้าเก่งจริงๆแต่ยากถ้าทำบาปมาตลอดชีวิตแล้วอยู่บ้านไปจะตายแล้วมาคิดนี่ทาไมถ้าคิดได้ทาไมต้องมารอตอนตายใช่ไหม <Yeah. S 1> ตายก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ไม่เป็นไปได้ก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีหนึ่งในล้านเนี่ย หน่ในล้านหรือหนึ่งในแสนล้านที่อาจจะเป็นได้ที่เคยทําบาปมาตลอดชีวิตแล้วพอมาบ้านไปของชีวิตก็พลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งไปจากคุณธนพรนะครับชาวต่างชาติศาสนาเมื่อตายไปทํากรรมไม่ดีต้องไปชดใช้กรรมในนรกเหมือนชาวพุทธไหมครับเหมือนกันแน่นะเพราะนรกสวรรค์นี้ไม่มีเป็นของศาสนาใครมันเป็นของกฎแห่งกรรม ที่กำกับใจของคนทุกคนไม่ว่าจะรับถือศาสนาใดาก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็ตามเหมือนกับคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อกฎหมายเนี่ยลองไปขับลองไปทำผิดกฎหมายดูเราจะอ้างว่าศาสนาผมไม่ได้ไม่ได้สอนเรื่องนี้แต่กฎหมายเขาก็ไม่ฟังใช่ไหมกฎหมายบอกถ้าคุณทําผิดกฎหมายเขาก็จะจับเข้าคุกเข้าตาราง ไม่ว่าคุณจะมีาศาสนาไหนแล้วาศาสนาของคุณสอนหรือไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเหล่านี้ก็ตา่างในเมื่อคุณทําผิดกฎหมายเขาก็จะจับคุณไปติดคุกติดตารางตามกฎหมายของเขากฎแหงกรรมก็เหมือนกับกฎหมายมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะนับถือาศาสนาไหนหรือไม่นับถือาศาสนาไหนจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารู้หรือไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องไปใช้กรรมเหมือนกัน ท่านบอกคนที่ทำบาปด้วยพ่อไม่รู้ว่ามีบาปเป็นเป็นบาปก็ไปเกิดเป็นเดราจฉานกันจะคุณอุไทยนะครับเวลานั่งภาวนารู้ว่าจิตสงบลมหายใจละเอียดลมอยู่กับคําบริกรรมพุทโธแต่ทําไมจิตไม่ดิ่งลงคะก็ยังยังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันยังดันออกมาอยู่มันยังกําลังไม่พอต้องดูลมต่อไปกิเล สติอาจยังไม่ต่อเนื่องสติยังอาจจะล้มลุกคลุกคานอยู่ดูลมปั๊บแล้วก็ไปคิดอย่างนั้นแล้ว ก, กลับมาดูลมใหม่นี้มันก็ยังจะไม่ทําให้มีกําลังพอที่จะดึงจิตให้เข้าไปสู่ความสงบได้ทําไปเรื่อยๆถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังกําลังไม่พอไม่มีอะไรหล้วสติตัวเดียวนี่แหละคําถามจากคุณศิลจีลานะครับเพื่อนเป็นคนสังคมชั้นสูงเที่ยวต่างประเทศ ช็อปแบรนด์เนมหาของกินดีๆทำอย่างไรจะชวนให้เขาตื่นทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้เพื่อไปสู่ความสงบแบบพระพุทธเจ้าคบทำตัวของคุณเองก่อนเถอะทำตัวคุณให้ได้ก่อนถ้าคุณทำตัวคุณได้แล้วข้าจะตามมาก็ได้เขาจะเห็นการพลิกผันของคุณว่า คนนี้เมื่อก่อนเป็นเหมือนเขาแต่ทํามะเยนี้ไม่เป็นเหมือนเขาแล้วแต่กลับมีความสุขมากกว่าเขาเขาก็อยากจะตามมาก็ได้ยันทําตัวเราเป็นตัวอย่างกันดีกว่าแบบพระพุทธเจ้าเห็นไม้มพระพุทธเจ้าไม่ไปสอนใครเลยตอนที่ท่านยังไม่ได้บรรลุท่านพยายามทําตัวท่านเองให้ดีก่อนพอท่านดีแล้วทีนี้ก็พอไปสอนคนอื่นเขาเห็นเขาก็เชื่อเขาก็ตามมากันเยอะแยะเลยะเจ้าชาย ที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าห้าองค์นี่ก็ขอบวชหลังจากที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็เกิดความประทับใจเขาก็เลยขอบวชเลยเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคนอื่นเราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนเราต้องเป็นปีเซนเตอร์เขราจยังไเป็นอพอเขาเห็นเราอ้อเราใช้อ่อ ใช้ยาสับผมชนิดแล้วผมดําตลอดเขาเห็นกันเดี๋ยวเขาก็ามาถามยี่ห้ออะไรไแล้วก็บอกเขาเนี่ยยี่ห้อนี้ยี่ห้อ น, อนี้คุณเอาไปใช้สิพอเขาเอาไปใช้เขาก็จะได้ผมดําไปตลอดอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็นอถ้าเพียงแต่พูดนี่มันมันเหมือนเหมือนโฆษณาชวนเชื่อเชื่อยากแต่ถ้ามีมีตัวอย่างมาเขาเห็นเอมี มีมีผลที่เกิดจากการกระทำแล้วทำแล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้นะก็เห็นแล้วเขาก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาคำถามจากคุณธนพรค่ะชาติปัจจุบันเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าต้องการอยากเกิดเป็นผู้ชายต้องทำบุญอย่างไรคะก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ชายาทำตัวเป็นผู้ชายคำถามจากคุณปราณีนะครับเวลานั่งสมาธิ พิจารณากระดูกสันหลังแล้วสลดสังเวชน้ำตามันก็ไหลเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกว่าอะไรเจ้าค้ะจะพิจารณาอสุภะหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรคือการพิจารณาอสุภะนี้เพื่อให้เรากำจัดกามอารมณ์เห็นดาราภาพยนต์เห็นนแบบนางแบบก็รู้สึกเห็นเห็นกระโลกศีรษะเห็นที่โครงกระดูกเขา แล้วก็จะทําให้ไม่มีความอยากที่จะให้มีแฟนอย่างนี้นี่ถึงเรียกว่าอสุภาส์ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วร้องไห้ก็ไม่รู้หรอกบางทีกิเลสมันหลอกเราก็ได้กิเลสมันเสียแซงบีบน้ําตาให้ออกมาทําให้เราลองคิดว่าเราเห็นทำนะแต่พอไปเห็นนายแบบนางแบบก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์การพิจารณาอสุภาสนี่เพื่อให้เราดับการอารมณ์ ดนขณะที่เราเห็นในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ยังไม่ได้เป็นตัวเป็นคําตอบที่แท้จริงคําตอบจะเกิดตามเมื่อเราเกิดการมลลมแล้วเราหยุดมันได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสกกลางอันนั้นแหะถึงต้องใช้อสุภะถ้าเราไม่อยากจะเสกกลางพอเราคิดถึงในแบบนางแบบแล้วเกิดการมลลมอยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาพอเราคิดถึงโครงกระดูกของเขาปั๊บนี่มันหายหายอยากไปนอนกับเขาเลย พอรู้ว่ากำลังจะไปนอนกับโครงกระดูกเนี่ยอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าสุภาถึงจะเรียกว่าธรรมะปัญญาแต่ถ้าเห็นแล้วก็น้ําตาไหลโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เห็นไปทําไมใช่ไหมครับคำถามจากคุณทัศนีค่ะนั่งสมาธิเสร็จนั่ร่วงเป็นเพราะเหตุใดคะเพราะเป็น น, นิวร์ไงเพราะหนึ่งอาหารกินอาหารมากเกินไป ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารจากปกติลงอย่างน้อยก็ต้องถือสี่แปดไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นหรือถ้ามากกว่านั้นก็มือม้อเดียวกินมื้อเดียวหรือมากกว่านั้นก็กินครึ่งมือ้อหรือมากกว่านั้นก็อดไปเลยอเดิมแต่น้ําผลไม้อะไรไปอันนี้มันก็จะแก้ความง่วงนอนได้จะคุณสีสร้างเชนนะครับ การที่ลูกจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่างๆเก้าวัดับการที่ลูกฟังธรรมพระอาจารย์อยู่ที่บ้านจะได้ผลบุญแตกต่างกันไหมคะคือการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่อการไปปฏิบัติธรรมนี้เหมือนกับการออกเดินทางดังนั้นต่อให้ฟังธรรมีกี่ครั้งกี่คราวถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติก็ยังยังเหมือนกับว่าไม่ได้ออกเดินทางดังนั้นการไปปฏิบัติมันก็ต่างกว่าการฟังธรรม แต่ถ้าไปปฏิบัติโดยไม่มีการฟังธรรมก็อาจจะไม่รู้จากการปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติแล้วก็อาจจะหลงทางได้ก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดีดังนั้นก็ฟังธรรมก่อนต้องรู้จักวิธีปฏิบัติก่อนเมือ่อรู้จักวิธีแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเหมือนกับเราอยากจะทํากับข้าวเห็นอาหารชนิดนี้อร่อยอยากจะาหัดทําเองเราก็ต้องไปเรียนรู้จากคนที่เขาทาว่าทําอาหารชนิดนี้ทํำยังไง มเมื่อเรียนรู้วิธีแล้วเราก็ต้องไปลองทำาดูถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้อาหารที่เราอยากจะได้ฉะนั้นการการฟังธรรมกับการปฏิบัติมันต่างหน้ามันทำหน้าที่ต่างกันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าอย่างนี้ดีกว่าหรืออย่างนั้นดีกว่ามันจำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างมันถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้แต่ถ้าหากเป็นคาถามอีกอย่างหนึ่งคือไปปฏิบัติ ที่วัดกจวัดกะปฏิบัติที่บ้านต่างกันอย่างไรอาจารย์ก็ดูที่ผลไงดูที่ผลว่าได้ผลถ้าอยู่ที่บ้านได้ผลดีกว่าไปที่วัดก็ที่บ้านก็ดีกว่าถ้าไปที่วัดแล้วได้ผลดีกว่าที่ที่บ้านก็ที่วัดก็ดีกว่าขอให้ดูที่ผลเพราะวัดนี้มันไม่แน่นี่มันมีหลายหลายวัดหลายแบบวัดที่มีอาจารย์ดีๆมีสถานที่สงบก็มีวัดที่ไม่มีอาจารย์คอยกากับวัดที่ไม่สงบมันก็มี มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นที่เราไปนะั้นมันมันมีปัจจัยที่เอื้อต่อผลของการปฏิบัติเอื้อต่อการปฏิบัติหรือไม่ถ้าเอื้อผลมันก็จะดีแต่ถ้าอยู่บ้านมันก็มีมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้เ <c oughs> ขอให้เราดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็แล้วกันว่าปฏิบัติแล้วเราสู้ความอยากได้หรือเปล่าหยุดความอยากได้หรือเปล่า ทำใจของเราให้สงบ็นความสุขได้หรือเปล่าถ้าได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้เหมือนกันจะคุณกันนิกานะครับโยมเคยได้นั่งสมาธิแล้วดิ่งลงลึกและเหมือนจะดิ่งลงไปณนะจุดจุดหนึ่งคือรับความเจ็บปวดแต่ปวดแบบหนักหน่วงทรมานเหมือนจะขาดใจจนสุดท้ายรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นอาการอย่างนี้เรียกว่าอย่างไรเจ้าคะใช่อาการที่เขาเรียกว่า นั่งสมาธิใช้กรรมหรือเปล่าเจ้ครังก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ะเราอย่าไปสนใจว่ามันเรียกว่าอะไรเลยขอให้ดูความจริงก็แล้วกันว่ามันทำให้เรามีความสุขหรือไม่ถ้ายังไม่มีความสุขก็ยังไม่ใช่ผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติเราต้องการให้จิตมีความสุขแล้วก็นิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ปราศ จ, จากความรักความชางังความกลัวความหลงอันนี้คือการเป้าหมายของการนั่งสมาธิ เพื่อจเจริญวิปัสสนาต่อเพื่อทําให้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเราต้องมีสมาธิแบบนี้มีสมาธิที่นิ่งสงบมีความสุขมากมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี้ถ้าอย่างเนี้ถึงเป็นผลที่เราต้องเป็นผลที่เราต้องการถ้าไม่เป็นนะักเราก็ไม่ต้องไปแสดงว่าเราไปผิดทางนะครับ ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ควรจ ะ, จะเจริญสติต่อไปพุโทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปจะคุณเลิฟโบนะครับมีผู้ใหญ่ให้เงินมาจํานวนหนึ่งเราเอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญเราจะได้บุญไหมครับถ้าเป็นของเราก็ได้นะถ้าถ้าไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้เพราะเขาให้แล้วให้เราแล้ให้แล้วก็เป็นของเราแล้วเราจะไปทําอะไรก็ได้ ทำบุญเราก็ได้บุญทำบาปเราก็ได้บาปเอาเงินไปจ้างจ้างวานให้คนอื่นไปฆ่าคนนั้นคนนี้เราก็ได้บาปจะคุณนอกจากทุกนะครับผู้ที่มีมหาสติเวลานอนหลับยังทาสติยังทำงานหรือเปล่าครับหรือนอนหลับฝันเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าครับลองฝึกสติไปดูจะได้รู้ถามไปก็ไร้ประโยชน์คนลองฝึกสติไปดูแล้วนคน ก, ก็จะรู้เองสันทิติโก จากคุณช่างแดงนะครับผมนั่งสมาธิผ่านเวทนาไม่ได้สักทีครับพระอาจารย์แพ้ตลอดจะทําอย่างไรดีพอสติกําลังไม่พอพอเจอความทุกข์ก็หยุดภาวนาเจอความทุกข์เจ็บก็ต้องภาวนาต่อพุทโธพุทโธให้มากขึ้นต้องเพิ่มกําลังของสติให้มากขึ้นแล้วมันก็จะฟันฝ่าความเจ็บนั้นไปได้จะคุณใจสั่งมานะครับทําบุญทําทานแต่เงินเป็นของภรรยาไม่ใช่ของเราเราจะได้บุญใหม่ครับ ไม่ได้หรอกถ้าเป็นของภรรยาก็ภรรยาอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้อยู่ที่ว่าภรรยารู้หรือไม่รู้และภรรยามีจิตที่จะยินดีกับการทําบุญนั้นหรือไม่ถ้าไม่ยินดีก็ไม่ได้บุญอยู่ดีถึงแม้จะเป็นเงินของภรรยาแต่พระสามีนี้ไม่ได้บุญอยู่แล้วเพราะไม่ใช่เงินของตัวเองจากคุณกุ้งนะครับนั่งสมาธิภาวนาพุทโธ ร, รู้สึกเหมือน มีแมลงไต่อยู่บนจมูกและหน้าทําให้มีอาการคันคืออะไรครับแก้ไขอย่างไรก็เป็นกิเลสอย่าไปสนใจมันก็พุทโธพุทโธไปจต่คุณอารุณีนะครับทําอย่างไรถึงจะให้ลูกมีความอดทนในทุกๆสภาวะคะเราก็ต้องอดทนก่อนเป็นตัวอย่างให้ลูกก่อนถ้าเราอดทนแล้วลูกเขาทำทั้งตัวเขาเองก็ลูกของเขาจต่คุณทัญรัตน์นะครับเทวดามีครอบครัวใหมคะ ค ำ, ำถามเมื่อกี้นี้ก็ถามว่าอยากให้ลูกอดทนนิดตัวเขาเองอดทนใช่ไหมไม่ใช่ลูกของเขาอดทนใช่ไหมคำถามก่อนหน้านี้อ ล, ลองอ่านคำถามก่อนหน้านี้สิหรือหากันลนะถามอะไร อดทนลูกมองเดินทํางานให้ลูกทำอย่างไรถึงจะให้ลูกมีความอดทนในทุกๆสภาวะคะ่อ ก, กี้ตัวบางิีเขา้เาใจแค่ว่าอยากจะให้ลูกของเขาอดทนก็ต้องเนี่ยต้องฝึกสติให้มากๆแล้วความอดทนก็จะเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นอุเบกขาแล้วมันจะทนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้จากคุณธัญรัตน์นะครับทเท ว, วดามีครอบครัวไหมครับเทวดาก็ยังเสด็กาับอยู่คะั แต่ไม่มีครอบครัวอย่างเราเพราะเทวดานี่มันเหมือนกับการความความอยู่ในในใ น, ในความฝันเนี่ยอย่างตอนที่เรานอนหลับเวลาจะฝันว่าเราไปมีแฟนที่นูน่นที่นี่ไปเที่ยวกับแฟนคนนั้นคนนี้มันก็ยังมีได้อยู่เพราะเรื่องของของของเทวดาก็เรื่องของของสังขารความคิดปตงแต่งไปในทางกลามนี่แหละงั้นถ้าจะมีก็มีแบบ แบบในฝันไม่ได้มีแบบแบบที่มนุษย์มีเป็นคนเฉพาะเจาะจงอย่างนี้ไม่มีอาจจะฝันถึงเทวดาคนนั้นเดี๋ยวต่อไปก็จะฝันถึงเทวดาคนนี้ก็ได้แล้วแต่เขาจากคุณพีโกนะครับเป็นคนไทยเชื้อจีนยึดพุทธแต่ว่ว้เซียนไหาวิหารเซียนวหว้เจ้าเพื่อเคารพนับถือแบบนี้ขัดต่อพุทธศาสนาหรือไม่ ถ้าว่าโดยโดยที่ไม่ได้ขัดกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาเลยเราต้องถือคําสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคําสั่งคําสอนอันเดียวที่เราจะเชื่อฟังถ้าคําสั่งคําสอนของผู้อื่นขัดกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไม่เชื่อเราแต่เราให้ความเคารพได้เราเคารพพ่อเคารพแม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่สอนให้ผิดกับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องทําตามไม่ต้องเชื่อฟังเช่นพ่อแม่บอกว่าให้ไปขโมยเงินอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องทําตามได้แต่เราก็ยังเคารพพ่อแม่อยู่ยังนับถือพ่อแม่อยู่ยังกราบว่าพ่อแม่อยู่แต่คําสอนของพ่อแม่นี่เราเอามาใช้ไม่ได้การเชื่อพระพุทธศาสนานี่เป็นคือให้เชื่อคําสอนเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะยึดคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ เป็นครูเป็นผู้นําทาง ถ, า ถ, าถ้าคําสอนของคนอื่นขัดกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องไม่เชื่อจคุณในหน่วยนะครับคารวะที่จําเป็นต้องทํางานอยู่ทางโลกควรจะต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงถึงจะได้ผลจากการปฏิบัติครับไม่แน่หรอกแต่ละคนมันมีเหตุมีปัจจัยมาต่างกันอดีตชาติจเจริญสติม า, มามากน้อยต่างกัน เพรนั้แต่ละคนนี่จะมีสูตรตายตัวไม่ได้ก็ให้ถือสูตรแบบแบบสากลก็คือยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากทําน้อยก็ได้น้อยให้คิดแค่นั้นก็แล้วที่มากน้อยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเะฉะนั้นก็ขอให้ไปคิดอแบบนี้ก็แล้วกันถ้าอยากจะได้ผลก็พยายามทําให้มากถ้าผลยังไม่มากพอผลยังไม่ออกก็ต้องทําให้มันมากขึ้นมากไปเรื่อยๆจนกว่าผลมันจะออกมา จะคุณคุณวัฒนะครับเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วบุญบาปคืออะไรการให้ทานไปแล้วจะเป็นบุญไปถึงคนตายแล้วได้อย่างไรมีเพื่อนถามมาแต่ไม่สามารถอธิบายได้ชักครับก็วิธีหนึ่งก็คือไปประเทศอินเดียไปเยี่ยมสถาน4ี่สถานสถานประสูตรตัดจารุแสดงธรรมและนิพพานของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้ามาเกิด แต่ถ้าไปแล้วยังไม่เชื่อก็มีวิธีหนึ่งก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นคําสอนของพระเจ้าปรากฏขึ้นมาในใจว่าเป็นความจริงที่เราสามารถนํเอามาใช้ดับความทุกข์ได้ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะเชื่อว่าคําสอนของพระเจ้าเป็นความจริงยิ่งนี้นคนที่สอนก็ต้องมีอันนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติผู้ที่เห็นจากการปฏิบัติก็ไม่ต้องไปอินเดีย อย่างครูบ า, าจาย์ต่างๆเนี่ยท่านไม่ได้ไปอินเดียกันนะหลวงปู่มัน่หนหลวงปู่ขาวนี่ท่านท่านไปพบพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะเห็นผลขึ้นมาส่วนเรื่องบุญเรื่องอุทิศบุญนี้มันเป็นเรื่องของอของที่ละเอียดที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราจะเห็นได้ก็แต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมถ้าเรายังไม่เห็นเราก็มีทางเลือกสองทางเชื่อหรือไม่เชื่อ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 บางคําถามที่ถามมาว่าพุทธโคดมคือใครนี่ให้ไปเปิดอินเทอร์อออนเน็ตดูนะครับพระโคดมไงคือชื่อของพระพุทธเจ้านามสกุลของพระพุทธเจ้านี่โคดมนี่เป็นนามสกุลของพระพุทธเจ้าพระบวชท่านก็เรียกท่านว่าเป็นสัมนาคโคดม